เจริญสติของพวกเราที่นี่นะเราก็ใช้หลักสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานนี่มี4ขั้นตอนนะขั้นแรกนี่เราก็คงคุ้นเคยกันดีนะคือกายานุปัสสนาะก็คือการมีสติในกายสติในกายนี่ทำได้หลายวิธี การมีสติในอิรียบดนะก็เป็นอันหนึ่งการมีสติรู้ลมหายใจหรืออนาปานาสติก็อันหนึ่งอีกอันนึงก็คือการมีสัมปชัญญะคือทําความรู้สึกตัวอ่าพระเจ้าก็ได้แจกแจงว่าการทำความรู้สึกตัวนี้เช่นอะไรบ้าง ก็เช่นเวลาเดินไปข้างหน้าถอยหลังเวลาแลเวลาเหลียวเวลาครองจิวอนถือบาทอันนี้ก็สำหรับพระนะหรือเวลากินเวลาดื่มนะเวลาแม้กระทั่งปัสสาวะอุตจระนะเวลาคุ้ เหยียดไปเหยียดขาไปข้างหน้าหรือว่าคู่ขาเพ่อง่ายคือว่าไม่ว่าเราจะทําแล้วก็ตามก็ให้มีความรู้สึกตัวคําว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเวลควาคำว่าทำความรู้สึกตัวนี่หมายความว่าอย่างไรนะเราจะมีความรู้สึกตัวในในเอเรีย บ, บทใดในการกระทําใดเนี่ย ได้ก็ต่อเมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่ลอยใจไม่ไหลไปไหนเพราะว่าถ้าลอยไปนั่นไหลไปนี่ก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเช่นไหลไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างจิตส่งออกนอกไปที่เสียงดังไปที่คนที่เราไม่ชอบหรือคนที่เราผูกใจลัก หรือปล่อยใจไปกับเสียงเพลงเนี่ยก็แสดงว่าใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเมื่อไม่อยู่กันเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นไม่ได้อรานี้ถ้าใจลอยนะใจไหลไปเนี่ยจะทําอย่างไรถึงจะให้ใจกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวก็ต้องมีสตินะสติ แปลว่าเราลึกได้หรือว่ารู้ทันใช่เราเดินอยู่กำลังเดินอยู่และใจลอยตอนนั้นก็ไม่รู้ตัวแล้วว่ากำลังเดินเพอใจไปอยู่ในเรื่งความคิดแต่สักพักนะสติก็มาเตือนให้เราเราลึกได้วันนี้กาลังเดินอยู่นะ หรือว่ากําลังบิบนธบาดอยู่นะหรือว่ากําลังสวดมนต์อยู่นะให้ความระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยนั่นะคือสติซึ่งเราก็คงจะได้สัมผัสบ่อยๆนะเวลาเราเดินจงกรมสร้างจังหวะแล้วหลายครั้งที่เราใจลอยไปแล้วไม่ช้าก็แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่ากําลังเดินจงกรมอยู่กําลังสร้างจังหวะ อันนั้นคือสตินอกจากความระลึกได้แล้วว่าทำอะไรอยูนะ่การรู้เท่าทันหรือรู้ว่ากําลังลอยใจกําลังลอยกําลังไหลเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานของสติเช่นเดียวกันเมื่อระลึกได้หรือเมื่อรู้ทันนะว่าใจกําลังฟุ้งซ่านนะกำลังลอยกําลังไหลเนี่ย จิตก็จะกลับมาจิตก็จะวางอารมณ์นั้นรู้จักอารมณ์นั้นแล้วก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวก็เกิดมีขึ้นนะฉะนั้นจได้ว่าความระลึกได้กับความรู้สึกตัวเนี่ยมันสัมพันธ์กันมากเลย ความรู้สึกตัวนี่เราก็จะเรียกเราก็เรียกว่าสัมปชัญญะความระลึกได้เราเรียกว่าสติเมื่อมีสติสัมปชัญญะก็ตามมานะี่ยเรียว่าสัมปชัญญะนี่เป็นคำที่มีความหมายกว้างส่วนใหญ่เราก็ใช้คาว่าความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัว โดยเพราะเน้นเมื่อทากิจการงานต่างๆเวลาพูดถึงสติเนี่ยหลายคนก็นึกไม่ออกนะเพราะเป็นภาษาบาลีนะบางทีเราก็ใช้คาว่ารู้สึกตัวเวลายกมือก็ให้รู้สึกตัวเวลาทำอะไรก็ให้รู้สึกตัวอันนี้คนจะเข้าใจได้ง่าย ก, กว่า นะเพราะมันเป็นสภาวะเป็นประสบการณ์ที่สัมผัสได้คุ้นเคยบ่อยๆแต่ความรู้สึกตัวที่ว่าเนี่ยมันต่างจากความรู้สึกตัวที่ใช้ในวงการแพทย์นนะวงการแพทย์นี่เขาใช้ความรู้สึกตัวเวลาคนที่ตื่นจากสลบหรือว่าเวลาผ่านะให้ยาสลบไปแล้วตื่นขึ้นมาเออบอกรู้สึกตัวแล้ว ความรู้สึกตัวอย่างนี้เนี่ยก็เพียงแต่ฟังรู้เรื่องคุยรู้เรื่องตอบสนองต่อสิ่งเล่าได้อันนี้เลยเป็นความรู้สึกตัวในทางการแพทย์แต่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่เราพูดถึงกันในที่นี้นะความรู้สึกตัวในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือควา ม, วว ร, มรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อม คนที่ตื่นจากสลบหรือตื่นจากหลับแต่ใจลอยต่อเมื่อมีคนพูดด้วยมีคนทักด้วยก็ถึงจะรู้ตัวแล้วก็พูดคุยโต้อตอบอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่ความรู้สึกตัวทั่วพรอ้อมอันนี้พูดในทางธรรมแล้วเนี่ยแม้คนที่เดินไปไหนมาไหนหรือเดินมิถบาด ก็อาจจะเรียกว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ได้เพราะว่าเขาเขาใจลอยนะในทางการแพทย์บอเออนี่คนนี้สึกตัวแล้วนะเขารู้สึกตัวดีด้วยนะเขาเดินก็ททำอะไรได้นะเหมือนคนปกตินะเขาเดินไปเขาทำงานอะไรได้แต่ว่าถ้าใจเขาลอยนะลอยไปหมกมุ่นอยู่กับอดีต เสียดายเสียใจนะคนรักทิ้งเงินหายถูกโกงบ้านถูกไฟไหมหรือว่ากำลังกลุ่มบ อ, อกกลุ่มใจนะที่แม่ไม่สบายน้องสาวเป็นมะเร็งอย่างนี้นะแม่นั่งเจ้าจุกโต้อตอบ กับคนได้ก็ยังเรียกว่าไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยนะถ้าเกิดขึ้นนะกับใครเนี่ยใจก็จะโปร่งเบาเพราะว่าตอนนั้นใจอยู่กับปัจจุบันนะคำว่าใจอยู่กันเนื้อกับตัวก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอาการที่ใจอยู่กับปัจจุบันนะรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า แล้วก็รับรู้อาการที่เกิดกับกายหรืออเรียบ ท, ที่กายกําลังทําอยู่ได้ได้เป็นปัจจุบันเมื่อใจไม่นึกถึงอดีตนะไม่คุณคิดถึงอนาคตเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรให้เสียใจมันจะมีเรื่องอะไรให้วิตกกังวลคนเราวิตตกกังวลเมื่อเรานึกถึงอนาคต คนเราเสียใจเศร้าใจโกรธแค้นเมื่อเรานึกถึงอดีตเมื่อไม่นึกถึงอดีตไม่ลอยไปอนาคตอยู่กับปัจจุบันมันก็มีแต่ความปกติความเบาอาจจะมีความเมื่อยอาจจะมีความปวดเพราะอันนี้มันก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันเหมือนกันแต่ว่าใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ปักตึงนะอยู่กับสิ่งนั้น ก็เพียงแค่รู้เฉยๆนะรู้สึกตัวโทษพร้อมนี่มันยังมีความหมายถึงการที่ไม่ไปเพ่งนะไม่ว่าที่อ ว, วัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือไม่ไปไปดักเฝ้าดูความคิดเหมือนอย่างที่พูดเมื่อวานเพราะถ้าหากว่า จิตไปเพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นที่เท้าเนี่ยมันก็จะรู้แต่เฉพาะที่เทา้าแต่จะไม่รู้ทั้งตัวรู้สึกตัวโตพร้อมเนี่ยมันเหมือนกับเราดูภาพใหญ่ๆเราไม่ได้จดจ่อที่จุดใดจุดหนึ่งของภาพเราดูรวมๆมันก็เราไปดูหนังเนี่ยจอหนังมันใหญ่เราก็เห็นภาพรวมๆนะ เห็นภาพรวมๆนะไม่ว่าเวลาดูโทรทัศน์ดูหนังหรือดูภาพนะอันนี้แหละนะมันต่างจากเวลาไปจดจ่อที่จุดใดจุดหนึ่งนะถ้าเราไปดูภาพแล้วเราจดจ่อที่จุดใดจุดหนึ่งนะเราเห็นจุดนั้นชัดมากเลยแต่ว่าเราจะไม่เห็นภาพรวมเราจะอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าภาพรวมนั้นคือภาพอะไร คนเราจะดูภาพให้เข้าใจต้องดูภาพรวมๆไม่ได้จอดจงไปที่จุดใดจุดหนึ่งชั้นใดก็ชั้นนั้นความสุกตัวทั่วพร้อมเนี่ยจิตมันจะไม่ได้ไปจ้องไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งถ้าไปเพ่งที่มือไปเพ่งที่เท้าอยา่างบางคนเดินจงกรมนี่จิตก็ไปกำหนดกำหนดในที่นี่หมายถึงไปไปบังคับให้มันอยู่ที่เท้านะมันจะได้ไม่ฟุ้งไปไหน อันนั้นอาจจะได้ความสงบแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเพราะว่าไม่ได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของกายรวมๆนะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันจะไม่ได้ชัดที่จุดใดจุดหนึ่งนะถ้าเรายกมือแล้วเห็นมือมันเคลื่อนชัดเนี่ยเป็นสายเลยเนี่ยอันนี้แสดงว่าไม่ใช่แล้วล่ะอันนี้คือการเพ่งนะความรู้สึกตัวมันจะ มันจะไม่ได้ชัดที่อันใดอันหนึ่งมันรู้สึกรวมๆนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะรู้กายนะหรือรู้ตัวเท่านั้นนะแต่ว่าเวลามีเสียงมากระทบนะมีรูปมากระทบก็รับรูนะ้สามารถจะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้แต่ไม่ใช่ส่งจิตออกไปหานะ ไม่ใช่ไปสแกนหาแต่ว่ามันรับรู้เพราะว่าเสียงก็ดีรูปก็ดีมันพุ่งเข้ามาในตอนนั้นใจอยู่กับเนืน้อ ก, กับตัวก็ย่อมรับรู้ได้ถ้าใจไม่ลอยนะแต่ถ้าใจลอยเนี่ยนะบางทีมีคนพูดก็ไม่ได้ยินคนมาทักอยู่ต่อหน้าก็ไม่เห็นนะเพราะใจลอย เคยพาคนไปเดินจงกรมหน้าวัดนะที่ปูหลงที่จริงที่อื่นด้วยก็มีประสบการณ์คล้ายๆกันนะไปเดินตอนเช้าอากาศกำลังดีสองข้างทางก็เป็นไร่มันบ้างเป็นทุ่งหญ้าบ้างก็มีเสียงจิ้งหรีดร้องระ ง, งมตลอดทาง พอเดินเสร็จ45นาทีก็ถามความรู้สึกถามประสบการณ์ของหลายคนแล้วก็ถามประโยชน์หนึ่งว่าเดินมาเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงจริงหลืไหอไม่กว่าครึ่งเนี่ยเกือบครึ่งเนี่ยบอกว่าไม่ได้ยินอีกครึ่งหนึ่งได้ยินจะไม่ได้ยินได้อย่างไงในเมื่อมันดังไปตลอดทางพอถามคนที่ไม่ได้ยินก็ตอบว่า เพราะว่าใจลอยกำลังคิดถึงเรื่องงานบางคนก็บอกว่าเป็นห่วงที่บ้านถ้าใจลอยใจหลายหรือใจจมอยู่ในอารมณ์ต่างๆแล้วเนี่ยนะมันไม่รับรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่รอบตัวอันนี้ก็ไม่ใช่เลยว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมมีความนก็ไปพานักปฏิบัติที่ยุพุทธ บางแค่นี่โดยเดินจงกรมรอบๆก็เป็นบ้านจัดสรร น, นะแต่ก็มีเสียงนกร้องพอเป็นตอนเช้าพอเดินเสร็จประมาณสี่สิบนาทีก็ถามประสบการณ์ความรู้สึกของเขาแล้วก็ถามว่าได้ยินเสียงนกร้องไหมหน่อยอายคนไม่ได้ยิน พอถามว่าทำไมถึงไม่ได้ยินนะบางคนก็บอกว่าใจลอยแต่บางคนมีคนนึงบอกว่าพอตอนนั้นจิตมันไปเพ่งทีเท้าเพราะว่าเขาปฏิบัติแบบการเรียกว่าเดินแบบจิตเพ่งท้าบริกรรมไปด้วยย่างยกหนอเนี่ยก็บริกรรมไปด้วยซ้ายหนอขวานหนอเนี่นะเขาก็เลยไม่ได้ยิน เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ความสึกตัวทั่วพร้อมจะเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยนะมันก็มีสองเหตุสาเหตุ ใ, ใหญ่ๆคือว่าใจลอยใจไหลไปนอกตัวหรือไมฉะนั้นใจจิตก็ไปเพ่งที่อวัยวะหรือว่าเพ่งเข้าในเพ่งเข้า ไ, น เ, เาไนเนี่ยรวมถึงการเพ่งไปที่จิต ด, ด้วยไปดูจิตแบบเพ่งจ้องดักความคิดในการรู้การรู้ ความสุขตัวที่พร้อมนี่มันจะว่าไปคือรู้ทั้งในแล้วก็รู้นอกรู้ในคือรู้กายรู้ใจรู้นอกคือรู้ว่ามีอะไรมากระทบเพียงแต่ว่าเมื่อกระทบแล้วก็ให้ผ่านเลยไปไม่ใช่พอได้ยินเสียงนกเอจิตก็พุ่งออกไปที่ตัวนกเลยว่านกอะไรนะตัวผู้ตัวเมียนะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอันนี้ส่งออกนอกไปแล้วนั่นก็ลืมตัวไปแล้วนะแบบเนี้ใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้ว สักแต่ว่าได้ยินมีลมพัดมาก็รู้ถึงอาการที่ลมกระทบกายมีความเย็นเกิดสุขเวทนาขึ้นก็รู้ใจอาจจะเผลอยินดีในความเย็นสบายนั้นในความสุขที่ได้รับก็รู้นะรู้แล้วก็วางนะคือมันรู้ทั้งในรู้ทั้งนอกหลวงพ่อเขียนเคยเล่ฟังว่าสมัยปฏิบัติใหม่ๆ ก็หลวงพ่อเทียนครั้หนึ่งท่านก็ไปปฏิบัติสร้างจังหวะอยู่ในกุฏิแล้วก็ปิดประตูกุฏินะหลวงพ่อเทียนมาสอบอารมณ์มาหายืนอยู่หน้ากุฏิก็ถามหลวงพ่อเข็มเขียวว่าทําอะไรหลวงพ่อเขียวก็ว่ากํากลังปฏิบัติครับหลวงพ่อเทียนถามต่อไปว่าเห็นผมไหม หลวงพ่อเกียงก็ตอบว่าไม่เห็นครับแล้วท่ายังไงถึงจะเห็นก็ต้องเปิดประตูครับหลวงพ่ออมเกียงก็เลยเปิดประตูพอเปิดประตูเสร็จหลวงพ่อเทียนก็ถามต่อว่าอยู่ตรงนี้นี่ข้างนอกเห็นไหมเห็นครับข้างในเห็นไหมเห็นครับนั่นแหละทําอย่างงั้นแหละนะอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนของหลวงพ่อเทียนสมัยก่อนคือท่านจะไม่ พูดที่ชี้ชัดด้วยคาพูดนะแต่ว่าจะใช้จะแสดงให้ดูนะ <Yeah. S 1> เพราะว่าหลวงพ่อมคำเขียนแล้วว่าตอนก่อนที่ท่านจะมาปฏิบัตินี่ท่านหนักในเรื่องสมถะมากน <Yeah. S 1> ั้นจิตก็จะจะเพ่งจะจ้องหรือว่าเข้าในตลอดบางครั้งเนี่ยท่านก็หลวงพ่อเทียนนก็สอนด้วยการเอาผ้าเอา เกิดภาพน้ำในคลุมศีรษะแล้วก็เดินผ่านไปให้พระนักปฏิบัติเห็นเสร็จแล้วท่านก็ดึงผ้าออกคนนห็นก็งงให้ท่านสอนอะไรท่านกําลังจะบอกอะไรนะก็ปฏิบัติไปก็รู้อ๋อท่านสอนว่าอย่าไปเพ่งนะอย่าไปติดสงบนะอย่าไปเพ่งเข้าในเพราะว่าผ้าคลุมหัวเนี่ยมันไม่เห็นอะไรทนะ่านต้องการให้รู้นะ ให้รู้ข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นถึงไม่แนะนําให้ปิดตา <Okay. S 1> จากคนที่ติดสงบก็จะพยายามปิดตาเพราะว่าถ้าเห็นอะไรแล้วเนี่ยมันไม่สงบแต่ว่าการปฏิบัติแบบลูกพระเทียนไม่เน้เรื่องความสงบท่านเน้เรื่องความรู้สึกตัวแล้วก็รู้ทันรู้ทันรู้สึกรู้สึกตัวนี่มันเป็นพี่น้องกันนะทว่ า, ารู้สึกรู้สึกนี่ก็ มันก็เกิดจากความรู้สึกตัวด้วยหรือเกิดจากการที่มีสติอยู่กับปัจจุบันเพราะเวลาเรายกมือถ้าใจเราลอยเราก็ไม่รู้สึกถึงว่ามือกําลังยกเท้ากําลังเคลื่อนหรือตัวกําลังขยับ <Yeah. S 2> นะความสึกความรู้สึกเนี่ยมันมันก็จะมาคู่กับความรู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นผลของสติเมื่อมีสติอยู่กับปัจจุบันเมื่อมีสติทําให้ใจรับรู้อยู่กับปัจจุบัน ทำอะไรก็รู้สึกนะถูฟันก็รู้สึกว่ามือนะกำลังเคื่อนขยับกินข้าวก็รู้สึกนะที่แรกความรู้สึกเป็นผลของสติเป็นผลของอาการอยู่กับปัจจุบันแต่ต่อไปความรู้สึกนั่นแหละจะเป็นตัวดึงให้สติกลับมาได้นะที่แรกมันเป็นผลก่อนต่อหลังมันเป็นเหตุนะเวลาเจริญสติแล้วก็รู้สึกนะถึง มือเคลื่อนไหวเท้าร่างกายขยับเขยื่อนเวลาเดินไปมานะต่อไปบางทีเวลาใจลอยนะพอแค่รู้สึกว่ามือขยับเนี่ยสติก็มาเลยคล้ายๆว่ามันรู้กันละเป็นเพื่อนกันมันคู่กันเลยอาจารย์ปโมท่านเคยเล่าฟังว่าตอนท่านเป็นคาราวานนะท่านก็ มีคราวนึงก็เห็นเห็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานอยู่ที่ถนนฝั่งตรงข้ามเห็นก็ดีใจนะตอนนั้นใจก็ไปอยู่ที่เพื่อนละที่ถนนอีกข้างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะก็จะข้ามถนนไปหาแต่พอเท้านี่เริ่มขยับนะก็รู้สึกตัวเลยสติมาเลย ความรู้สึกเมื่อเท้าขยับเนี่ยมันคล้ายๆเป็นตัวเรียกสติให้กลับมานะถ้าเราจเจริญสติด้วยการสร้างอีเดีย บ, บทหรือว่าด้วยการสร้างความรู้สึกตัวในอีเดีย บ, บทรู้สึกรู้สึกอยู่เสมอในเวลาเคลื่อนไหวมือเวลาเดินจงกรมเนี่ยต่อไปเนี่ยไอความรู้สึกนี่ยนะมันจะสามารถเรียกสติกลับมาได้ ใจลอยไปนะแต่พอรู้สึกว่ามือขยับนี่สติกลับมาเลยก็รู้ตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันดึงจิตกลับมาอยู่กับนกับตัวมันมีเปี่ยวตรงนี้นะไอ้ความไอ้ไอ้การเคลื่อนเคลื่อนไหวมือหรือว่าทําความรู้สึกให้เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นต้องเป็นการ ยกมืออย่างเดียวขยับนิ้วคลึงนิ้วกระดิกนิ้วก็ได้นะเวลาฟังธรรมเนี่ยเราก็า จ, จะใช้วิธีครดิกนิ้วนะใจก็อยู่กับการฟังธรรมนะแต่บางครั้งใจมันลอยนะเพราะว่าอาจจะลอยเพราะว่าประโยชน์บางประโยชน์ทำไม่นึกถึงเพื่อนทําให้นึกถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในอดีต ใจมันก็ไปเลยนะแต่ว่าไปได้สักพักรู้สึกว่านิ้วขยับรับรู้ได้ถึงหรือรู้สึกได้ถึงนิ้วที่ขยับมันก็เรีย ก, กจิตกลับมาอยู่กับการฟังอยู่กับปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องนะอ่านี่มันแล้วเราสามารถจะสร้างความรู้สึกได้หลายอย่าง เวลาแม้กระทั่งเวลาอยู่ในห้องน้ําเราลองตามลมหายใจดูขณะที่เรากำลังนั่งถ่ายถ่ายหนักนี่เราก็ตามลมหายใจจะยกมือก็ได้จะคลึงนิ้วก็ได้ตามลมหายใจก็ได้รู้สึกที่ลมหายใจที่เข้าแล้วออกหรือรู้สึกว่าลมหายใจมันผ่านร่างกายนี้เข้าออกเข้าออกคือเป็นความรู้สึกทั้งตัวไม่ใช่เฉพาะรู้สึกที่ลมหายใจัน้นต่อไปบางทีเวลาเราเผลอเราใจลอยเรา เรากำลังกังวลพอมันรับรู้หรือรู้สึกได้ถึงลมหายใจเข้าออกนี่สติก็กลับมาได้เหมือนกันนะแต่ว่าความรู้สึกของลมหายใจที่เข้าออกนี่มันมันละเอียดมันจะไม่ไม่ชัดเท่ากับการครึงนิ้วหรือว่าการยกมือแต่ว่าเวลาเราอยู่ในที่สาธารณะบางทีก็ยกมือไม่สะดวกนะสร้างจังหวะไม่สะดวกหรือเวลาเรานั่งรถเนี่ย เรานั่งรถไฟเราอยู่บนเครื่องบินนั่งรถประจําทางเรายกมือสร้างจังหวะไม่สะดวกนะเดี๋ยวคนก็จะมองว่าเราทําอะไรลําพัดหรือเปล่าเราก็คลึงนิ้วไปคลึงนิ้วไปใจมันก็อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละแต่บางทีใจก็ลอยออกไปจดจ่อยอยู่กับทิวทัศน์ข้างนอกหรือว่าก็้าไปในโลกแห่งความคิดเดี๋ยวความรู้สึกที่มือ ที่นิ้วที่สัมผัสกันที่คลึงมันก็เรียกกลับมาได้มันช่วยกันแบบนี้แหละนะทีแรกสติทําให้รู้สึกทําให้รู้สึกตัวต่อมาความรู้สึกนั้นมันก็สามารถจะเลือกสติกลับมาได้ดังนั้นเวลาเราทําอะไรเนี่ยอย่าอยู่เฉยๆนะทาอะไรก็ตามแม้กระทั่งเวลาพักก็คลึงนิ้วไป กระดิกขาก็ไดนะ้ความรู้สึกนี่แหละนะมันจะเรียกสติกับมาได้ไวนะซึ่งช่วยทำให้สติเรา โ, โตขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นนะแล้วความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็จะมาอยู่กับอยู่กับตัวเรานะเมื่อเกิดขึ้น บ, บ่อยๆเกิดพขึ้นบ่อยๆนะสติมันจำได้นะ มันจําว่าความรู้สึกตัวเป็นแบบนี้เนะี่ยภาษาพหุวัตรีและสัญญานะสัญญาก็จําได้หมายรู้แต่มันกับสติก็ใกล้เคียงกันนะพอมันจําได้ว่าอาการความรู้สึกตัวเป็นแบบนี้นะแต่ก่อนเนี่ยคนนี่ไม่ค่อยรู้สึกตัวเนี่ยไอ้ทีลสัญญาหรือสัญญาจําได้ไหมายรู้วันนี้มันไม่มนะีมันน้อยมากแต่พอรู้สึกตัวบ่อยๆมันจําได้เวลาหลงไปนะ มันก็จะรู้แล้วว่านี่ไม่ใชน่นี่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะตรงนี้แหละที่สติจะทํางานนะกลับมาพาจิตกรรมมาอยู่กับความรู้สึกตัวที่จริงถ้าอยู่ถ้าเจอความหลงบ่อยๆนะเจอความหลงบ่อยๆเนี่ยจิตมันก็จะจําได้นะอ๋อหลงเป็นแบบนี้นะโกรธมันเป็นแบบนี้นะฟุ้งซ่านมันเป็นแบบนี้นะพอเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆมันจําได้เนี่ย พอเจอครั้งต่อไปมันจะจําได้เร็วขึ้นนะเมื่อจําได้เร็วขึ้นก็จะหลุดจากมันได้เร็วขึ้นฉะนั้นการที่เราเจอกับความฟุ้นชานบ่อยๆเจอความหงุดหงิดเจอความเบื่อบ่อยๆเนี่ยเป็นของดีนะเพราะมันเป็นข้อมูลที่ทําให้จิตจําได้หรือสตินะจำได้นะว่าไอ้นี่หน้าตาลักษณะเป็นอย่างนี้ เหมือนกับเจอเจอเจอคนที่มาหลอกเราบางคนเจอแล้วเจอคนเดียวเจอคนเนี่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าก็ยังปล่อยให้เขาถูกหลอกอก็ยังปล่อยให้เขามาหลอกเราได้เพราะว่าจําจําไม่ได้ว่าไอ้หมอนเนี่ยมันเคยหลอกเรามาครั้งที่แล้วมันเคยหลอกเรามาหลายครั้งแล้วแต่ตอนหลังเนี่ยความจําดีขึ้นนะ เขามาหลอกเราหลายครั้งหลายครั้งคราวนี้จําได้แล้วพอเจอครั้งต่อไปไม่หลงเชื่อแล้วไอ้ความฟุ้งซ่านความโกรธความกังวลเนี่ยพวกนี้มันกับเหมือนกับผู้ลายที่คอยมาหลอกเราให้หมดเนื้อหมดตัวนะแล้วเราก็โดนมันหลอกว่าถูกมันหลอกครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะเราจําไม่ได้มันมีคนประเภทนี้นะที่ลืมเร็วมากเลย เจอหมอแนะนําตัวคุยไปสักพักถามอีกแล้วว่าท่านคุณเป็นใครหมอก็แนะนําตัวครับผมเป็นหมอจิตแพทย์คุยไปสักพักลืมอีกแล้วคนไข้ลืมแล้วว่าเป็นใครหมอก็ต้องแนะนําตัวอีกหรือบางทีหมอคุยกับคนไข้ดีนะรู้เรื่องดีพอคนไข้เข้าห้องน้ำํำพอหมอเข้าห้องน้ํากลับมา คนไข้ลืมไปแล้วว่าเป็นใครหมอก็ต้องแนะนำตัวนี่เป็นอาการคนที่ลืมเร็วมากนะพวกเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ลืมลืมลืมลืมคนลืมอะไรนะแต่ลืมอารมณ์เจออารมณ์โกรธครั้งแล้วครั้งแล้วก็ยังลืมและปล่อยให้มันหลอกเราแต่ต่อไปเนี่ยพอเจริญสติ บ, บ่อยๆเนี่ยมันจะจำได้ว่า ก็ความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นอย่างนี้นะพอเจอมันครั้งต่อไปความจําจะมาได้เร็วแล้วก็รู้เอ้าอันนี้ไม่ใช่นะนี่มันจะหลอกเราละเราจะไม่อยอกให้มันหลอกนะมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมายกลับมารู้สึกตัวนะอันนี้ก็เป็นหน้าจริงสตินะเรารู้ทันได้ไวเพราะเราจํามันได้เราจํามันได้ที่เราจําำได้เพราะเราเจอมันมบ่อย คนที่พยายามรักษาจิตไม่ให้ไม่ให้มีอารมณ์พวกนี้เลยไม่ให้มีความฟุ้งซ่านเลยพยายามคุมจิตให้นิ่งนะอันนี้ไม่ใช่ประดีนะเพราะว่าพอไม่เจอกับอารมณ์บ่อยๆความฟุ้งซ่านความโกรธอกุศลอารมณ์เนี่ยความจำได้หมายรู้ก็จะไม่แม่นความจำได้ก็จะมาไม่เร็วจะมาช้าแต่ถ้าเราเจอบ่อยๆนี่นะ เราจำเราจะจำมันได้เร็วเราจะรู้ทันมันได้ไวแล้วนั่นแหละทำให้สามารถจะดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักอารมณ์เหล่านั้นกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวและเกิดความรู้สึกตัวได้ดังความรู้ทันเนี่ยมันจึงเป็นงานของสติอย่างหนึง่งและที่มารู้ทันเพราะมันจำได้มันจำได้ทั้งฝ่ายลบและฝ่ายบวกมันจำได้ความรู้สึกตัวเป็นอย่างไร เวลาจิตเคลื่อนจากความรู้สึกตัวไปมันก็มันก็เอกใจแล้วนะหรือว่ามันเจอความโกรธเจอความฟุ้งซ่านเจอความเศร้าบ่อยๆมันรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงอาการเป็นยังไงรักษณะเป็นยังไงพอเจอปุ๊บมันรู้ทันไวแล้วก็ดึงจิตกลับมาอยู่ความปกติอยู่กับปัจจุบันอยู่ความรู้สึกตัวฉะ น, นั้นนี่คือการทํางานของจิตเนี่ยที่เราเรียกอย่างว่าจิตตนิยามซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลง หน้าที่ของเราก็คือว่าส่งเสริมธรรมชาติส่วนนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของจิตเราควบคุมไม่ได้แต่เราส่งเสริมให้มันทำงานได้นะอย่างที่ได้พูดมาอาาชานี้ก็พูดกับท่านนี้